อันนี้ก็เลยเรียกว่ากายเนี่ยเพราะเป็นที่คายของไม่สะอาดต่างๆออกมาเนี่ยนะแล้วก็ต่อไปชื่อว่าวัมมิกะเพราะพารยเจ้าทั้งหลายคายแล้วพารหันนี่ไม่อะไรเยื่อใ่ในร่างกายแม้แต่นิดเดียวผ้าหันทั้งหลายพ้ารยเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะท่านละทิ้งอัตภาพตัดความเยื่อใยในกายนี้ได้เสร็จแล้วอย่างที่เมื่อวานฟังว่าอะไรกายไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละกายหรือละรูปนั้นเยรูปนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อคูลเพื่อความสุขท่านทำทั้งหลายท่านก็ทำได้ตามคำสอนทั้งก็ละเสร็จสิ้นแล้วทีนี้ต่อไปเนี่ยร่างกายเนี่ยชื่อว่าวอมิกะที่เรียกว่าจอมปลวกเพราะเป็นทั้งหมดเนี่ยเป็นที่รวมร่างฮอมหอด้วยมหาภูตรูป4ี่ประการมหาภูตรูปสี่นะ ร่างกายนี่มีอะไรเป็นโครงสร้างก็บอกโครงสร้างของร่างกายก็คือกระดูกประมาณสามร้อยท่อนเนี่ยนะมาตัดมาต่อกันเนี่ยนะประมาณสามร้อยท่อนรัดขึ้นด้วยเอ็นแล้วก็ฉาบด้วยเนื้อห่อด้วยหนังสดแล้วก็ย้อมด้วยผิวแล้วก็ลวงลวงสัตว์ทั้งหลายก็แต่งตัวนี่หลอกตัวเองก่อนในอะันดับแรกไหมถ้าหลอกตัวเองสําเร็จได้ก็หลอกคนอื่นสําเร็จได้เหมือนกันเนี่ยนะนวิธีแต่งตัวให้ดีก็แต่งตัวเพื่อหลอกตัวเองก่อนถ้าตัวเองดูว่าเออสวยแล้วก็ออกไปได้อย่างนี้ใช่ คนอื่นเขาอาจจะว่าสวยบ้างไม่สวยบ้างก็ไม่เป็นไรแต่เราหลอกใจตัวเองเรียบร้อยแล้วว่าสวยเนี่ยนะคนอื่นเขาจะคิดเราสวยไม่สวยกับเราไม่รู้ล่ะแต่เราเนี่ยแต่งสําเร็จเรียบร้อยแล้วสวยอย่างเดียวเนี่ยนะเนี่ยนะก็แต่งสําเร็จเนี่ยนะทีนี้กายนี้ชื่อว่ามิกก้าเขาเราผูกด้วยเสนหาร่างกายเนี่ยถูกผูกด้วยอะไรผูกด้วยเสนหาเสนหาเนี่ยแปลว่าเยื่อใหญ่แล้วก็ยางใหญ่ยางเหนียวยางเหนียว กายเนี่ยคือเหตุที่กายเนี่ยผูกถูกผูกด้วยยางเหนียวคือตันหาเนี่ยนะตันหาทุกส่วนของร่างกายเนี่ยไม่มีแม้แต่ที่เดียวที่ไม่ถูกผูกด้วยยางเหนียวเยื่อใหญ่คือตันหาแต่สําหรับพระเรซยเจ้าท่านขายตันหาได้เสร็จสิ้นแล้วท่านไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความเยื่อใหญ่และยางเหนียวคือตันหาเลยเนี่ยนะปัญญ า, าหานท่านขายตันหาหรือขายยางเหนียวในกายนี้ เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะของเราเนี่ยกายของเรายุงกัดตรงไหนสะดุ้งเลยใช่ไหมเพราะความห่วงแหนกายเนี่ยนะมันเป็นที่ตั้งแห่งความห่วงแหนยึดถือก็บอกว่าเอออวัยวะในข้างในเช่นบางอย่างนี่เราไม่รู้จักเลยนะเออเรายึดด้วยเรายึดถือตับด้วยไหมจว่า ย, ยึดไหมก็ลองบอกว่าคุณจะต้องเอาตับออกสักกิโลหนึ่งไงนะฟังแล้วเครียดเลยใช่ไหมบอกเออลำไส้นี่เรายึดถือหรือเปล่าเขบอกแม่ต้องเอาไส้ติ่งออกแล้วนะยังไงแนมะฟังแล้วก็สะดุ้งเลยในชะ่ ก็มีหลายๆส่วนขอให้มันอยู่ในกายนี้เถอะเนี่ยนะตายอย่างเงี้ยยึดไหมสรุปว่าเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือทั้งหมดเนี่ยนะปันผ้าเรียเจ้าทั้งหลายท่านพิจารณาด้วยศาสตราคือปัญญาวิจัยด้วยศาสตราคือปัญญาละเยื่อใหญ่คือยางเหนียวด้วยตันหาจนสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะอันนี้ในหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งเขาบอกว่าสัตว์เล็กๆมีประการต่างๆที่อยู่ภายในจอมปลวก จอมปลวกทัตัวปลวกเกิดที่ไหนมันก็เกิดที่จอมปลวกนั่นแหละเมื่อมันเกิดมาที่ตรงนั้นถ่ายอุจจาระปัสสาวะกัที่นั้นแหละปลวกมันก็นอนป่วยอยู่ตรงนั้นตายไปตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นจอมปลวกนั้นจึงเป็นเกิดของที่เป็นที่เกิดของปลวกเป็นห้องน้ำของของปลวกว่างั้นแ่ะเป็นโรงพยาบาลปลวกแล้วก็เป็นสุสานฝังศพปลวกว่างั้น่ะนะ ก็เรีว่าเป็นที่เกิดเป็นที่แก่เป็นที่ป่วยเป็นที่ตายอุจจาระประสะัสวะเป็นสรารพาดอย่างะนะแล้วก็ตายตรงนั้นะนะแต่ว่าจอมปลวกแต่ละจอมเนี่ยสังเกตดูว่าที่ไหนมีจอมปลวกดูได้จากอะไรบางทีเราจะเห็นหน้าดินเนี่ยเรียกเหมือนกันหมดเลยนะแต่ตรงนั้นเนี่ยมีจอมปลวกอยู่ได้อยู่ด้วยถามว่าดูจากอะไรดูจากว่าหน้าฝนเนี่ยตัวปลวกมันบินขึ้นอะแมงเมาอ่ะนะแมงเมานี่แหละคือผลผลิตของปลวกแมงเม่าก็คือปลวกนั่นแหละ แล้วก็บินเนี่ยนะบินฟ้อนขึ้นมาแล้วก็หลายแห่งก็บอกเอ๊ะมันก็ไม่เห็นว่ามันก่อขึ้นมาอย่างไงบอกปลวกมายัางไงก็ออกมาจากแมงเม่าแมงเ ม, มามาเกาะพอมันสลัดปีกทิ้งซะมันก็ประชมรวมแต่งองค์ทรงเครื่องใหม่ก็เป็นปลวกต่อเนี่ยนะ ก, กัดกินต่อเนี่ยนะปลว ก, กแล้วมันก็แปลงร่างได้ไปเป็นแมงเม่าแมงเม่าก็แปลงมาเป็นปลวกแต่ว่ามันเป็นวงจรของมันนะ่ยนะระบบของมันก็คือแมงเม่านั่นแหละอันเดียวกันแมงเมาก็คืออะไรก็คือปลวกเนี่ยนะ ชันใดเนี่ยนะร่างกายเป็นที่อยู่ของตัวปลวกอะนะจอมปลวกเป็นที่อยู่ของตัวปลวกฉันใดแม้กายก็เหมือนกันเอาจุลแมฆกายกับสัตว์อะไรเงั้นเอากายกษัตริย์มหาสารกายพระราชามหาจักรพัทนี่แหละก็ฉันนั้นเหล่าสัตว์ที่อาศัยผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกสัตว์ที่อาศัยสิ่งนั้นมันก็กัดกินสิ่งนั้นนะเขาบอกว่า ถ้มีแบบว่าขูดขูดที่ผิวเนี่ยนะเราไปส่องกล้องพิเศษใช่ไหมมันจะเห็นเป็นขยุคลยิบยุกขยิบเเดินได้เลยนะเพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าเรานั่งอยู่คนเดียวนะอยนะอยู่ทั่วเรือนร่างเนี่ยโอ้ยมีพวกอยู่ด้วยเยอะแยะเลยหลายล้านอย่างนั้นเถอะอย่าคิดว่าเงานีอยู่ด้วยกันตั้งหลายล้านเนี่ยนะหลายล้านตัวไอ้พวกเกาะเกาะที่ไหนเกาะที่ผิวก็เกาะผิวไอ้เกาะนังก็เกาะนังไอ้ที่เจาะเอ็นก็เอ็นไอ้ที่เกาะกระดูกก็กระดูกเกาะเยื่อในกระดูกก็เยื่อในกระดูก และสัตว์พวกนี้นะที่มันเกาะนะมันไม่ได้คิดว่ากายร่างกายคุณเป็นกษัตริย์กายคุณเป็นพราหมณ์กายคุณคือผู้ประดับตกแต่งกายคุณคือผู้มีอนุภาพมากแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าโยมเขาไปเล่าเล่าให้ฟังว่าเขาไปที่ห้างสรรพสินค้าห้างหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางใหญ่โตมากเลยแล้วก็ไปขู ด, ข, ดขูดผิวหนังที่หนึ่งแล้วไปส่องกล้องเสร็จแล้วแล้วมันก็ขยายเป็นภาพใหญ่แล้วมันเดินขยุกคยิบขยุกขยิบได้นี่นะก็แสดงว่าขูดไปจากหน้าพวกเรานะั่ยนะ นะจริงไม่จริงก็ไปคิดเอาแล้วกันแต่ขอมาว่าถามว่าเป็นไปได้ไหมบอกเป็นไปได้เนี่ยนะทีนี้คําว่าหมูนอนหมูนอนก็ไม่ได้แปลว่าเป็นตัวนอนกระดึ๊กระดึ๊หมอนนะก็แปลว่าเป็นพวกแมลงสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะนับได้ประมาณกี่ตระกูลที่อยู่อาศัยเราเนี่ยนะมีอยู่ 80,000 ื่นตระกูลเนี่ยนะมีอยู่8ปดห 0,000 ื่นตระกูลเป็นที่เกิดเป็นที่ถ่ายอุจจาระนอนกระสับกระส่ายป่วยไข้จมปลักคลักอยู่ในกายนี่แหละเนี่ยนะ ก็แสดงว่าไม่เงาเลยใช่หมพวกที for ่อาศัยปากก็อยู่ในช่องปากพวกที่อาศัยเส้นทางเดินอาหารมันก็อยู่ที่ทางเดินอาหารมันก็เกาะไปเลยแล้วมันเกาะเกาะกลุ่มที่อาศัยเลือดมันก็ล่องลอยไปตามเลือดของเราเนี่ยนะแล้วก็จริงๆนะเลือดเนี่ยในในเลือดของเราที่มันไหลสูบฉีเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์นะที่อยู่ในนั้นอ่ะแล้วก็บางทีมันก็เป็นตัวพยาธิจริงๆเลยแหละแล้วก็บางทีเนี่ยแม้กระทั่งที่กะโหลกนะนะก็เป็นตัวพยาธิจริงๆเลยที่ที่กะโหลกเนี่ย มันก่อนยอมเขาเอาภาพที่ว่าชาวญี่ปุ่นกินประดิษฐ์มากๆเนี่ยนะแล้วเป็นพยาธิเนี่ยแล้วก็เป็นตัวนอนกระดึบ๊บกระดึ๊บผากะโหลกออกมาแล้วก็เป็นจริงๆเลยนะคิดง่ายๆก็เหมือนอะไรพวกมักโรนีพวกอะไรนะเป็นรัดรอดยาวๆแบบนั้นเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวนะเพราะพวกพยาธิก็เหมือนกับเส้นเล็กอ่ะมั่นก็เส้นเล็กแบบมันก็เหมือนกับเส้นเล็กน้ำน้ำน้ำอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะก็เป็นอย่างนั้นแหละโอ้ยแตคิดแบบเหงานะไม่ได้อยู่คนเดียวโรคเนี่ยนะเพรา ะ, ะร่างกายเนี่ยเป็นเช่นกับจอมปลวกเนี่ยนะ เดียวขนาะเดียวกันเนี่ยพวกกิมมิชาติคือพยาธิทั้งหลายเนี่ยนะที่เรียวกว่า น, นอนแปดหมืนตระกูลเนี่ยพวกนั้นบางทีก็เป็นทั้งเรือนคลอดเป็นทั้งส้วมเป็นทั้งโรงพยาบาลเป็นทั้งโสสารของสัตว์เหล่านั้นอย่างตื่นหมูเนี่ยก็เราพยาธิตัวตืดหมูที่อยู่ในท้องของเราเนี่ยบางทีมันยาวเป็ น, เ ป, นเป็นเม็ดเนี่ยเมื่อมันยาวเป็นเม็ดทุกปล้องเนี่ยมีไข่ทั้งนั้นเลยเป็นโอถ้ามันพวกนั้นแพร่าสายพันธุ์เพิ่บเดียวเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยทั้งกายนี้จึงเรียกว่า กายเนี่ยเป็นกาเรียกว่าวรรมิกะก็คือจอมปลวกนะนะจอมปลวกเหมือนกับจอมปลวกเป็นที่อาศัยเกิดคือถ้าหากว่าสามารถขยายได้ขยายได้เป็นพันล้านเท่าเนี่ยนะก็ดูว่าในนั้นน่ะมีอะไรบ้างเหมือนกับอย่างที่เขาบอกว่าสมัยที่กล้องจุลทรรศน์ไม่มีเนี่ยแม้มองเห็นน้ําในแม่น้ําลําคลองอูสะอาดหมดอย่างนั้นน ะ, น ะ, น ะ, นะตอนหลังเนี่ยเขาเขาคิดค้นไอ้สร้างกล้องจุลทรรศน์ขึ้นมาได้เพราะตักน้ําขึ้นมาในลําคลองเนี่ยหูยสารพัดเลยที่อยู่ในนั้นเนี่ยนะ โยเยโยียเตไปหมดเลยอยู่ในนั้นกายของเราเนี่ยถ้า ส, าส่องออกมาได้เห็นทั้งหมดทั้งร่างกายแล้วอะไรบ้างเนาะอยู่ในนั้นเนี่ยทำใจได้หรือเปล่าเนาะกินอิ่มนอนหลับหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ยนะกายเนี่ยเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูต ร, รูปทั้งสีมีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดเนี่ยนะก็รอเลี้ยงกันไปจเจริญเติมโตกายเนี่ยเกิดเนี่ยเพราะอะไรตกแต่งให้กายแตกต่างกาันเพราะกรรมนี่แหละเป็นตัว จำแนกตกแต่งให้ร่างกายของแต่ละคนที่แตกต่างกันขนาดมีพ่อแม่เป็นแดนเกิดถึงอย่างนั้นลูกท้องเดียวกันก็ยังมีความแตกต่างกันเพราะกรรมนี้ตกแต่งให้แตกต่างกันไปเนี่ยนะกรรมมาจำเนกกรรมเนี่ยมาตบมาแต่งให้ร่างกายของแต่ละคนเนี่ยเป็นไปมีอย่างต่างๆการเป็นไปอย่าง puppet. ต่างๆกันเนี่ยตกแต่งเราบุญกรรมตกแต่งนะกายนี้ประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่เป็นที่บุญกรรม ตกแต่งแล้วก็เจริญเติบโตด้วยข้าวสุกและขนมสดทีนี้ต้องประครบประงมเป็นธรรมดาต้องอบต้องนวดต้องฟันประครบประงมดูแลเยียวยาต้องเดินตามการนั่งตามการนอนตามการต้องลุกต้องออกกําลังกายต้องกินต้องอุ้สารพัพในการบริหารชีวิตของเราเนี่ยเขาบอกมาหาเลี้ยงอะไรเลี้ยงกายนี้บํารุงกายนี้ดูแลกายนี้แล้วใครดูแลสําเร็จบ้างไหม อาจจะสำเร็จอ่ะนะเขามีโยมคนหนึ่งครัโอ้ดูแลร่างกายได้เป็นอย่างดีตอนนี้อายุร้อยสปีแล้วเนี่ยนะนะดูแลร่างกายจนได้อายุร้อยสปีเล้นียนะแต่ก็งอมเต็มที่แล้วล่ะเนี่ยนะงอมเต็มที่แล้วนะแต่ก็ยังพอทําอะไรได้บ้างเนี่ยนะอายุร้อยสปีอายุร้อยสปีเป็นเป็นผู้ชายเนี่ยนะหลานเลี้ยงหลานก็ลูกเลี้ยงอยู่อายุร้อยสปีแต่ก็แม้ขึ้นหูเต็มตัวไปหมดแล้วนะเป็นตุมเป็นตุมเป็นตุมตะปมตะปมกันไปหมดตามตัวแล้วเนี่ยนะ ไม่รู้เดินได้หรือเปล่าแต่ก็อาจจะได้นิดๆหน่อยๆนะพอเดินได้นิดหน่อยนั่งทํางานทําอะไรได้บ้างแลนะต้องให้หลานเนี่ยนวดให้บ้างมันเมื่อยมันอะไรก่อนให้หลานนวดให้อายุร้อยสามปีอายุร้อยสามปีเพิ่งเห็นเมื่อเช้าเนี่ยงอมเลยนะก็ก็คิดดูนะอายุร้อยสามปีเนี่ยคิดถึงตรงไหนตรงนั้นก็ปวดหมดแล้วนะคิดถึงหัวก็เริ่มปวดหัวแล้วนะ แต่เขาทำบุญมาดีนะถึงทําบุญมาดีเนี่ยจุอยู่ได้ร้อยสปีเนี่ยนะเรากำลังมาคิดดูถ้าเราอายุร้อยสปีเราคิดเป็นบุญได้อายุร้อยสปีแต่จะได้บุญเยอะเหมือนกันนะทีนี้ถามว่าถ้าอยู่จนอายุร้อยสปีถ้าไม่เป็นบุญแนละ้วโอยบาปล้นล้นอนะไรเอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะปัญหาว่าบางคนอยากจะมีอายุยืนยาวหรือบางคนมีอายุสั้นบอกมันจะสั้นมันจะยาวมันจะยืดมันจะหดกระช่างมันเถอะปัญหาว่าอยู่ทําไมต่างหากเนี่ยนะ อยู่แล้วเป็นบุญไหมอยู่แล้วทาเหตุแห่งความสุขต่อไปไหมในอนาคตไหมเนี่ยนะก็อย่าลืมว่าถ้าคนบาปเนี่ยนะอายุยืนอายุยืนมากก็บาปเยอะเนี่ยนะให้คนมีบุญเนี่ยนะก็ถ้าอายุยืนมากก็ทําบุญได้เยอะคําว่าบุญนี่เป็นชื่อของความสุขเป็นเหตุให้ประสบแต่ความสุขถึงมนุษย์ทั้งหลายเป็นความสุข ข, ของมนุษย์มนุษย์ก็ยังเปิดเคระะียกว่าเกลือกกลวไปด้วยชราและมรณะเนี่ยนะถึงกายนี้ถึงเราจะประครบประงมดูแลดียังไงในที่สุด มีอันแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดานะกายเนี่ยเกิดขึ้นด้วยข้าวสุก ข, ขนมสดต้องอบต้องนวดต้องฟันเป็นต้นแล้วกายนี้ก็ไม่เที่ยงเนี่ยนะเป็นเที่ยงอ่าเป็นของที่ไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปสลายไปสิ้นไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นคําว่าจอมปลวกเป็นชื่อของกายนี้คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอ่าคำว่าจอมปลวกเนี่ยนะ ถามว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ากายนี้เป็นจอมปลวกแสดงอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาหรืออนัตตานุปัสสนาคําว่ากายนี้เปรียบเหมือนจอมปลวกเนี่ยเป็นทุกขานุปัสสนาเห็นเป็นภาระทันทีเลยคือเข็นจำไม่น่าชื่นใจแล้วนะนะก็เห็นจําเป็นของที่ไม่น่าชื่นใจเพราะอะไรเพราะเป็นที่ไหลเข้าไหลออกของสัตว์จํานวนมากเป็นที่ไหลเข้าไหลออกของสิ่งปฏิกูลเป็นจํานวนมากและพยาธที่อาศัยอยู่ในนั้นเป็น จำนวนมากนี่เห็นภาระเลยใช่ไหเพราะันการมีกายนี้ก็คือการมีภาระการเลี้ยงดูกายนี้ก็คือการเลี้ยงดูมหาภาระก้อนภาระเลยใหญ่มากเลยนะแล้วก็ทุกโศกโรคภัยอันตรายใช่ไหมแม้กระทั่งทํามาหากินเก็บเงินเก็บทอง ไ, ไว้ทําไมเพื่อดูแลกายนี้วัจะใช้คำว่าอะไรนะเอาไว้ไปหาหมอคอยกันนะเอาไปไว้ไปหาหมอค่าอยู่ค่ายาไว้ดูแลอะไร ก็ดูแลกายนี้ทั้มจนเหน็บจนเหนื่อยเนี่ยนะเพื่อจะไว้ดูแลกายนี้แต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะก็ไอที่เป็นอยู่กับที่ตายไหนมากกว่ากันตายมากกว่ากันอีกห้าสิบปีข้างหน้าของพวกเราจะเหลือสักกี่คนนะทั้งห้องเลยนะถ้าเขามาอยู่ก็แปดสิบเศษเนี่ยนะถ้าป้าจารยนาอยู่ก็ร้อยครึ่งอะน ะ, <c oughs> ะก็อา้าวถ้ามีบุญในะอยู่ได้ขนาดนั้นก็เจริญกุศลไนะด้กตั้งเยอะใช่ไหม จะรีบไปไหนบางคนบอกอจะไปแล้วจะไปแล้วอาจจะรีบไปไหนบุญก็ทําหน่อยเดียวเองนะถ้าทําบุญไว้เต็มที่บอกโอ้ไปแล้วอะไรนะไม่ต้องกลับมาสู่โลกนี้อีกเป็นธรรมดามีอันปรินิพานในโลกนั้นแน่นอนถ้าอย่างนั้นค่อยรีบไปถ้าบุญไม่พอจะรีบไปไหนน่ยนะนะนะไปก็ไม่ได้เจริญสมถะแต่ถ้าไปด้วยสมถะและวิปัสสนาไปเถอะเนี่ยนะนะไปด้วยอริยมรรคเนี่ยนะนะไปสู่อะไรไปสู่อสังขตะธรรมไปเพื่อรู้ยิง่งไปเพื่อตรัสรู้ไปเพื่อพระนิพพาน